เป็นนั้นว่าวันนี้ก็ขอ อันเพื่อป้องกันกันที่จะคิดมากล่าวให้ท่าน ก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในคือนิพพาน 5 เออดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรคือนิพพาน 5 เมื่อก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะ อ1 ความที่กามฉันทะอันยังไม่ <c oughs>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 หรือเมื่อพยาบาทไม่มีภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีในจิต อันหนึ่งความทิยบาทอันตน คือว่าฐินมิทธะไม่มีภายในจิตก็ย่อม อันความดีถีนะมิทะอันตนละศีลแล้วไม่เกิดขึ้นมีณในจิตย่อมรู้ชัดว่า ก็ย่อมรู้ชัดว่าอุทธัจจะไม่มีในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทธัจจะจะอันจะเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นโดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นอันหนึ่งการละอุทธัจจะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้โดยประการใดย่อมรู้โดยประการนั้นอันหนึ่ง อันหนึ่งวิจิกิจฉาความเครือบแคร่งสงสัยภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าวิจิกิจฉามีอยู่ในจิตของเรา ก็ย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันแห่งความที่วิจิกิจฉาเกิดขึ้นแล้วเสียด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันแห่งความที่วิจิกิจฉาอันตนละแล้วเสียด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อม ย่ำพิจารณาเห็นเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในบ้างย่ำพิจารณาธรรมดาคือความเสื่อมขึ้นความเสื่อมไปภายในบ้างนั้นในธรรมบ้างย่ำพิจารณาธรรมดาคือความ แต่เพียงสัตวะเป็นที่รู้แต่ 5 อย่างนี้นี่เนื้อของ ในตอนต้นเป็นสมถภาวนาในตอนหลังเป็นวิปัสสนาภาวนาตอน 5 ประการนั้นก็มีอยู่ 1 กามฉันทะความสวยเสียงหอมรสอร่อยสัมผัส อย่างหนึ่ง 2 โทสะและพยาบาทคือการคิดปฏิทุสสร้ายบอก 3 ถีนมิทะ 4 อุทธัจจกุกกุจจ์ 5 วิจิกิจฉา นี่รวมแล้วก็มีอยู่ 5 อย่างนี้ถ้าเราจะพิจารณาตามคํา 5 ประการคือพยาบาทอุทธัจจะกุกกุจจะทิณมิทธะวิจิกิจฉา มันเกิดขึ้นในจิตของเราเกิดขึ้นในจิตของเราเรา <sin> นี่คือวจีเข้าไปรู้ไว้เป็นด้านสมถภาวนาเท่านี้เข้าใจ หรือว่าบางท่านที่ศึกษามาแล้วอาจจะเข้าว่าท่านยังไม่เข้าใจไว้ก่อนขอแนะนํา รักรูปสวยรูปสวยเหมือนกันหมดเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปอย่าไปมุ่งเอาแต่เฉพาะคนอย่างเดียวขึ้น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 อาการสัมผัสทางกายสัมผัสทางกายถ้าพอ 5 อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือเปล่าท่านให้พิจารณาไว้ ท่านบอกว่ามหาสติปัฏฐานให้เอาสติ วิธีที่จะหักล้างกามฉันทะนั่นก็อาการ 32 ที่เราฟัง 32 เต็มโสโครกนึก โอชารปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทำลายอันนี้มันสะอาดหรือมันสกปรกเรียกว่าธาตุบัพเอาจิตถอยลงไปหาตัวต้นธาตุ 4 ที่ นะวะศรีนั่นก็คือหมายความว่าคนที่ตายแล้ววัน 1 2 วัน 3 วัน 5 วัน 10 วันก็ว่าเลื่อย มีการศึกษาในเรื่องนี้วรต้องถอยหลังไปอาการตัวนี้คือว่านวสีก็ดีธาตุ 4 ก็ดีปฏิโกละบกก็ดีทั้ง 3 ราย เคลื่อนที่ได้ใครพิจารณาๆได้จิตเป็นสมาธิ อาการส่งตัวจิตวางเฉยในความพอใจในความรักระหว่างเพศมันก็จะปรากฏที่เรียกว่าสังขารุเปขขาญาณหรือว่าทางด้าน เป็นของหน้าเครียดเป็นที่ไม่พอใจใจเรามีความสบายเป 32 2 ธาตุบรรพิจารณาด้วยอํานาจของธาตุ 4 3 นวศีลพิจารณาด้วยมีสภาพร่างกายเหมือนกับซากศพตอนนี้ถ้าหากความโกรธความเดือดร้อนไม่กับจิตหรือเปล่าถ้ารู้อยู่ว่าเกิดต้อง นี่แต่รู้มันเกิดขึ้นดารูมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางหักรั้งให้มันพินาศไปวิธีหักรั้ง 4 ซึ่ง ความโกรธความเยียดบาทเป็น 4 เป็นอารมณ์แห่งความรักสงสารซึ่งมี แม้กิจทุกอย่างที่ทําไปก็ทําไปว่าคิดว่ามันดีแต่ทว่า โดยมีความรู้สึกว่านี่เขาหลงผิดไปโดยเนื้อแท้จริงๆเขาไม่มีความต้องการอย่างนั้นนี่ ที่จรณเอาร่างกายของคน แล้วจิตเราก็รู้ว่านี่ 4 ก็จําไว้ 4 เป็นปกตินี่มาความง่วงกายคล้ายกับกายขี้เกียจไอ้ แต่การความง่วงไม่เกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ท่านบอกว่าถ้าไม่ง่วงเหงาเฮานอนเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่ ตอนนั้นเกิดความง่วงนั้นเกิดความง่วงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จหน้าซิบ้างลุกขึ้นเดินซิบ้างมันจะได้คลายความง่วง บางทีตอนกลางวัน เต่งขึ้นตอนดึกจิตใจเราสบาย <c oughs> 4 องค์สําเร็จปัจจินนสีกล่าวในอุตตัจจะกุกุจจะอารมณ์นี่เวลานี้เรา ควบคุมกําลังใจไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกให้หันเข้าไปใช้อานาปานุสติเรียกว่าอานาปานุสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้ไม่ต้องภาวนา ก็เลยไม่ต้องภาวนาและไม่ต้องนี้หายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเอาไม่แค่ลมหายใจให้จิตเป็นอยู่เฉพาะลมหายใจเวลา และการทําอย่าง 2 นาที 3 นาที 5 นาที 10 นาทีเป็นอย่างมากๆแล้วก็เลิกมาจริงๆแล้วเลิกเพราะตามธรรมดาจิตเราจะๆไม่ได้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 เราก็ไปดูสิคนที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยรูปสวยนักเสียงเพราะนักกลิ่นหอม เวลาที่แก่ถ่ายก็ไปแล้วมากินแล้วมาดื่มๆแค่เนี้ยไม่ต้องว่าดให้ก็ละเอียด ว่าสภาพที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสกปรกน้ํามันสกปรกจริงมั้ยตอนนี้ต่อมาก็มาใน ทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือมันเลยอย่าถือมันไว้อย่าให้มันมี อะไรมีความโกรธความพยาบาทก็จงทิ้งไปเสียเนี่ยความฟุ้งซ่านจึงควบคุมกําลังใจให้ทรง ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีการทรงว่ามันเป็นเรา มันก็สักแต่ว่าเป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วย เราไม่ยอมยึดถือในร่างกายด้วยและก็ไม่ยอมยึดถือในวัตถุทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของ สำหรับบรรดาผู้ภาวนาวาจาทุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันวัน ฉันเลิกมาลัยจะเดินก็ได้จะน้อยก็ได้ได้ตามอัตญาสัยเวลาปฏิบัติฉันนั่งกันดอยยืน